พวกเราคงคุ้นกับชื่อพระเจ้าเปรตดิโกสนนะพระเจ้าเปรตดิโกสนนี่เป็นกษัตริย์สมัยพุทธกาลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามากที่สุดนะมากกว่าพระเจ้าพิมพิสารซะอีกพระพุทธเจ้าจำมันสาประทับอยู่ที่เชตวันเมืองสาวัตถีนานที่สุดยนะ่สิกบกว่าปี ยี่สิบกว่าพันสาพนะระเจ้าปรสิธิกโกศลก็เป็นกษัตริย์ครองเมืองสาวัตถีแล้วก็มีอำนาจมากพระเจ้าปรตสิธิกโกศลมีนิสัยอย่างนึงคือชอบสวยอาหารนะพวกนี้คือกินจุนะเนลิยเลในการกินจนกระทั่งร่างกายอ้วนนะมีน้ำหนักมาก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 ก็เลยให้หลานเนี่ยจำเอาไว้นะจำคาถาคำแนะนำของพระพุทธเจ้าไว้แล้วพอทุกมือเนี่ยเวลาสวยปัยาหารพระเจ้าประเสริฐโกศลก็ให้หลานหรือพระนัตตาเนี่ยนะท่องคาถานี้นะเป็นการเตือนใจตัวเองเตือนสติให้รู้จักเผื่อๆในการกินบ้างนะอย่าเพลิดเพลินในการกินก็ช่วยได้มากทีเดียวนะเพราะว่า พอได้ฟังคาถานีนะ้จากหลานก็ทำให้รู้จักยับยังในการกินได้มีความประมาณในการบริโภคไม่นานสุขภาพก็ดีขึ้น น, ะน้ำหนักลดเดินเหินได้คล่องแคล่วทำอะไรก็สะดวกสบายก็เลยดีใจแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วก็ชื่นชมสรรเสริญพระตจาวาพระองค์สอนทั้งในเรื่องประโยชน์ทางโลกและประโยชน์ทางธรรมประโยชน์ทางโลกก็ทิฏฐธรรมิกถาก็คือประโยชน์ปัจจุบันประโยนทางธรรมก็ประโยชน์ทางใจสัมปญิกถากเรื่องการที่มีคนมาคอยเตือนให้เพาเๆในการกินอาหารหรือว่าเตือนให้มีสติเนี่ยมันก็มีเรื่อง ค, คล้ายๆกันอยู่เรื่องหนึ่งแต่ว่าคนละประเด็นนะ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 พอกลับกรุงโรมนี่ก็มีพิธีแห่แหนนะมีพิธีแห่มีประชาชนมาชื่นชมสรารเสรินสองข้างทางเราจะนึกภาพเนี่ยถนนถนนในกรุงโรมเนี่ยนะก็คงไหลเลย น, นั้นนะแล้วก็มีรถสึกนำหน้าตามมาด้วยกองทัพแล้วก็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 ทาดคนนี้ก็ไม่รู้เป็นเป็นใครนะแต่คิดว่าคงเป็นคนมีความรู้นะเพราะว่าท่านในในในสมัยโรมันเนี่ยเขาก็เอาคนมีความรู้มามามาใช้งานใช้การเยอะอย่างอีศพบนี้ก็เป็นทาดนะนิทานอีศบที่เรารู้จักกันดีสมัยเด็กๆเนี่ยก็เป็นทาดคนหนึ่งแต่มีความรู้ถูกจับได้เขาก็เอามารับใช้เจ้านายอันนี้ก็เป็นการเตือนสติอีกแบบหนึ่งนะ เป็นการเตือนสติเยอะว่าอย่าไปหลงว่าตัวเองเป็นเทวดาหรือว่าอย่าหลงว่าตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์เลอเลิศเป็นซูเปอร์แมนนะอย่าหรือว่าตัวเองก็เป็นมนุษย์นะที่มีผิดมีพลาดและวในสุดก็ต้องตายนะเป็นการเตือนนะผู้มีอำนาจนะเตือนคนระเ บ, บีกับที่หลานพระเจ้าปเสนทิโกศล น, นะแต่ว่ามันก็ได้ผลนะมันช่วยเตือนสติคนที่มีอำนาจ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 ลูกสอนแม่ดีนะแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ลูกเนี่ยได้มาบวชสา ม, มนเัรได้บวชพระมจรินีที่นี่นะถือว่าอาทําให้ลูกเนี่ยได้ได้มีความเข้าใจนะเรื่องความพอเพียงแล้วก็เตือนแม่ได้นะบางที่เราก็ต้องนะมีคนเตือนแบบนี้บ้างนะเป็นผู้ใหญ่ก็จะต้องมีมีมีลูกมี หลานมาคอยเตือนบ้างเพราะว่าอาจจะไม่งั้นก็อาจจะเพลิดเพลินในการช้อปปิ้งนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งยั่วยวนเรามากตัวอย่างที่พูดมาเนี่ย ก, ก็ชี่เห็นนะว่าบางครั้งคนเราเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยคนอื่นช่วยเตือนเพราะว่าไอ้สติที่เรามีเนี่ยนะมันไม่พอมันไม่พอที่จะ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 เป็นเรื่องสําคัญซึ่งถ้าเกิดไม่มีใครเตือนนี่ก็อาจจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นมาก็ได้ที่โรงเรียนหนึ่งที่กรุงเทพเนี่ยนะเป็นโรงเรียนที่อ่คนมีฐานะส่งลูกไปเรียนถ้าเอ่ยชื่อก็อาจจะรู้จักแด้โรงเรียนแบบนี้เนี่ยนะมันก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือว่าเวลาเลิกเรียนเนี่ยพอพ่อแม่มารับเนี่ยนะโอ้ยจราจรนี่แน่นขนาดเลยโรงเรียนก็ อยู่ในซอยเล็กๆที่จอดรถก็มีไม่มากเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการจัดระเบียบจัดการจราจรรถเข้ารถออกและวิธีหนึ่งก็คือว่ารถเดืองให้รถเดินทางเดียวเข้าประตูหนึ่งออกอยู่ประตูหนึ่งมีผู้ปกครองคนหนึ่งเป็นนายทหารเห็นว่ารถจอดอติด ก, กันอยู่ตรงประตูทางเข้ายา่าว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 นาถามว่านั้นหยุดเลยนะได้สติเลยตอนที่ก่อนตอนนี้กําลังโกรธเต็มที่เลยนะพอมีคนมาพูดเรื่องลูกเนี่ยมารับลูกใช่ไหมครับได้สติเลยนะแกก็เลยนะหยุดเดินเลยนะกลับไปที่รถเอาอึดเก็บแล้วก็เดินไปรับลูก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 นะแต่พอมีคนมาพูดถึงลูกขึ้นมาเนี่ยแกได้สติทำให้ความโกรธหายเลยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างนึงนะคือพอรู้ตัวขึ้นมาทันทีเนี่ยความโกรธมันมันหลนหายวูบไปเลยนะไม่โกรธแล้วนะรู้เลยว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะเอาปืนไปเก็บนะแล้วก็เลิกทะเลาะบอกแวงกันเพียงแค่รู้ว่าโกรธเนี่ยมันก็มีพลังมากพอที่จะทาให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 มันไม่ใช่แค่ว่ากินจุนะจนเพลินมันไม่ใช่แค่เพลินกับเพลินกับลืมตัวไปซื้อไอแพดมินนะอันนั้นมันเล็กน้อยนะแต่ว่าไอพีดลืมตัวแล้วก็ไปยิงเขาตายนี่หรือยังกขาบาดเจ็บนี่มันเรียกว่าอนาคอ ด, ดับวูบเลยบางทีลูกก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยกายถูกตาหน้าเป็นลูกฆาตกรนะพ่ออาจจะหนีไปได้นะแต่ว่าลูกนี่นะเสร็จเลยไอ้ลําพังสติของคน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 ถ้าประมาณเนี่ยไอสติที่ตัวเองมีเนี่ยมันไม่พอใช้มันจะต้องมาสร้างขึ้นนะสร้างขึ้นมาจะหวังให้คนมาเตือนเราไม่ได้เราต้องเตือนตนเองเราต้องฉลาดในการเตือนตนนะและการเตือนตนเนี่ยมันต้องเตือนมันจะเตือนได้เนี่ยมันต้องกัดหันต้องหมั่นมาดูตนอยู่เสมอมันมาดูตนก็คือว่ามาดูมาตามดูรู้กายและใจนะ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 แล้วก็ไม่ไปหาเรื่องคิดนะทางสายกลางนี่ที่เราควรใส่ใจคือว่าไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งนะพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมักจะตกอยู่ในทางสุดต่งสองทางชิดเสมอบางครเถียงว่าเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับไปมัวเมาในกามอย่างที่เขาเรียกกามสุคล ร, ริการุโยคแล้วก็ไม่ได้ทรมานตนนอนบนตะปูนะหรืออดอาหารจนผ่ายพร้อมเนี่ยจะเรียกได้ไงว่า ฉันไปจบตกอยู่ในทางสุดตรงสองทางทางสุดตรงสองทางนี่มันก็มีหลายระดับนะไอระดับที่ห ย, ยาบๆนี่ก็อย่างที่พูดเมื่อสักครู่นะคือหมกมุ่นในกามมัวเมาในกามหรือว่าทรมานตนแต่ทางสุดตรงที่มันละเอียดอีกนั้นอีกกว่านั้นคือว่าเวลาสุขก็เพลินในสุขนะเพลินในสุขเวลาทุกข์ก็จอมจมอยู่ในทุกข์นะอันนี้ก็ เ, เรียกว่า ถ้าเพลินในความสุขก็เรียกการสุขานหรือการนิโยกได้นะถ้าจอมจมอยู่ในทุกในอารมณ์เศร้าโศกเสียใจก็เรียกว่ากัตตา ก, กิลมัฐานนิโยกได้ได้ทาราสัเก็เราจะพบว่าเราเบี่ยงไปเบี่ยงมาระหว่างทางสุดตรงนี้อยู่ตลอดเวลานะเวลามีอารมณ์ที่มากระทบทำให้ดีใจก็เพลินเห็นอาหารที่อร่อยก็นะ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 มันสามารถจะก่อความเสียหายได้มากมายถ้าเรารู้ทันมันแล้วก็สามารถจะมีความป็นสุดตัวนะใช้อย่างรวดเร็วรับซื่อมันได้นี่ก็จะก้าวข้ามอารมณ์เหล่านั้นได้เอาคำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะครับครบ